أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا أدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ل ع ل ي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا ر ض ي ن ولك الحمد ب ع د الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلا الأولين والآخرين وأشهد أن ب ي ا ن ا م ح م د ا و ب د ه ورسوله أ ر س و ل الله บิล ه ุ د و ว د ดี الحق และ ي ุ ه ر ه, ه و ยุดฮิรห و ل ละวัด ا นีคุ و ีฮีวโลก ا ل ล์คาฟิ ل น์ว ل ดัลอั و อาม ا ل ์วับลัลริ ا ل ล ه ันัสลอาหมะว ه านาฟ ا ลอาคัจฮ م รีฟัตซาห์ ا l l a h แ لقد قرأت على في كتاب الكريم في سورة ا ل ع ل ى بعد ع و ذ ب الله من الشيطان الرجيم قد ق أفلح م ن ت ز ك ى وذكر اسم ربي فصلابا ل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير و أبقا إن هذا لفي ا سهم ف الأولى س ه في إبراهيم وموسى خب بناتي راكين كابوم ในส ah ุระอัลอาลานะครับอย่างที่พวกเราได้พูดไปซึ่งผมก็ย้ำแล้วก็จะขอย้ำย้าย้าอีกนะครับผมก็คือในเรื่องของอเป้าหมายของชีวิตแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์คิดว่าอย่างไรหรือว่าคิดว่าอะไรแต่มันอยู่ตรงที่ว่าผู้สร้างเราคิดว่าอย่างไงในคุรานครับอัลลอ์สุบบตาก่าววาริสระอัลิมรอ น, นรว่ากุลอินกุนตุตฮิบุนอัลลอฮฟัตะอนยิบุุมุลลอ์ ไว้ยักฟิตและกุ้มดูหนูบ้ากุ้มบอสอัลลอฮฺกอฟูรุตรอฮิมโจก่าเถิดมูฮัมหมัดหากว่าพวกเจ้านั้นรักอัลลอฮ์เจ้าจงปฏิบัติตามฉันแล้วอัลลอฮ์จะรักพวกท่านและพวกนั้นจะให้ไถ่โทษกับเจ้าในบาปต่างๆของเจ้าพวกเป็นผู้ให้ภัยผู้ทรงเมตตาพระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้ทรงเมตตาเป็นผู้ทรงให้ไัยโทษและวพวกก็ได้บอกไว้ย้ำกับเราไว้ครับว่าเป้าหมาย ของชีวิตเราเนี่ยสิ่งถูกสร้างนั้นเป้าหมายหลักของเรานี่ยก็คือทําตัวให้ผู้สร้างนั้นพอพระทยัยพวกเราไม่ได้บังคับให้เราทําให้พงพอพระทยโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าเรานั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างขนาดเราฝ่าฝืนเราก็ยังได้สิ่งต่างๆมากมายมหาศาลในดุ n y าแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่เชื่อฟังต่อพระองค์ในอัครวเขาก็ยิ่งได้เกินกว่าที่จินตนาการพวกเราบอกว่าผ้าเป้าหมายของชีวิตของเจ้านะั้นพระเจ้าตั้งไว้แล้วว่าอยากให้อัลละฮ์รักเจ้า ชงทำให้เหมือนกับนบีสิชงทำตามนบ like ีมูฮัมมัดสุลลัลฮวอัลลอฮิสัลลัมสิแล้วพวกเราจะรักเจ้าแล้วก็จะยกโทษเจ้าด้วยถ้าถามว่าเราต้องตามอะไรนบีอะไรเหรอที่เราต้องตามนบีเพื่อให้อัลลอฮ์รักเราเพื่อเราประสบความสำเร็จในชีวิตทวกเราการอิสลามยุสุบะว่ากุลฮะลิสับีดีอเดอูอิลลอฮีอาลาบัสีรออันะวะมะนิตตับางี บัสูบฮานัมลอฮีวาลาอานามอัมัมชลิกินจงกล่าวเถิดนี่คือหนทางของฉันหนทางแนวทางของท่านนบีมสลลุสลอิมที่ว่าทําการเรียกร้องผู้คนอาเดอูอิละลอเรียกร้องไปสู่อะไรครับไม่ใช่เรียกร้องสู่ดุนยาแต่ต้องเรียกร้องไปหาพระเจ้าแปลว่านี่คือคําสั่งจากท่านลอที่ว่ามุสลิมทุกคนหากอยากให้อัลลอฮ์ต้องตามนาบีจะตามอะไรนบีก็ต้องเรียกร้องไปสู่อลัลลอฮ์เหมือนกับที่ท่านนบีมุสลิมที่นั้นเรียกร้องผู้คนไปสู่ พ่อระสูบฮนอัลลอฮฺตะลาเรียกร้องยังไงครับอลลบาซีรอตินเรียกร้องแบบรู้จริงแบบรู้แจ้งแบบคนที่มีความรู้จริงๆ ร, รู้ว่าต้องทำยังไงรู้ว่าต้องสอนอะไรก่อนรู้ว่าต้องเริ่มด้วยกับอะไรรู้ว่าต้องอดทนอะไรบ้างในหนทางนี้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะมาเจอกับเขาจะมาประสบกับเขาอะไรคือบททดสอบที่เขาจะเจอหากเขาเลือกเส้นทางมากับท่านนบีมุสลิม เพราะเราศึกษาบทท่านนบีกันมามากมายแล้วเราก็รู้ว่าเส้นทางของท่านนบีในดุนยานั้นมันไม่ได้โรยด้วยกับกีบูหลาบแต่มันเป็นเส้นทางบททดสอบแล้วถามว่าท่านมีความสุขไหมท่านนบีมุสลิมมีความสุขตลอดชีวิตของท่านท่านมีความทุกข์ท่านเจอบททดสอบแต่ว่าในภาพรวมแล้วท่านไม่เคยที่จะหยุดที่จะขอบคุณพระลอสซูปาในหัวใาละท่านก็ยังมีชีวิตอย่างมีความสุขตามสถานะของบ่าวคนหนึ่ง ที่ว่าดุนยานั้นก็มีความสุขด้วยแต่ว่าเป้าหมายหลักของท่านนั่นคือ อ, จจอัคราแปลว่าหากอยากให้อัลลอฮ์รักต้องตามนาบีหากจะตามนาบีก็คือทําให้เหมือนนบีคือมีการเรียกร้องแล้วการเรียกร้องนั้นต้องเรียกร้องอย่างรู้จริงเนลกูนานพุทราบอกใช้คําว่าไงครับอ่านะว่ามานิตแต่บ้าอันีนี่คือแนวทางของฉันแล้วก็แนวทางของผู้ที่จะตามฉันเห็นไหมครับนี่คือคีย์เวิร์ดตามฉันเพราะพุทเราบอกว่าให้ตามนาบีแล้วอัลลอฮ์จะรัก เพาะนั้นท่านอัลเบี๊ย์ว่าบอกอท่านอบีบอกว่านี่คือแนวทางของฉันที่เรียกร้องคนไปอย่างรู้จริงทั้งฉันแล้วคนที่จะตามฉันก็ต้องเลือกแนวทางนี้เวาะซุบฮานลละลอฮ์ขอสดีต่อพวกวลอซุบฮานะฮุวาต้าละวะมาอานามินะมุชีกีนพวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเราไม่ใช่ผู้เด็ดการพวกเราไม่ใช่ผู้ที่ทําสิ่งที่เลวร้ายพวกเราไม่ได้อัดทำกลอใครแม้แต่เรื่องเดียวไม่มีคําว่าอัด มีแต่เพียงบ่าวนั้นที่อาทําต่อพวกลอครั้งแล้วครั้งเล่าทั้งแม้แต่เป็นพวกเราเองที่เอาเป็นมุสลิมแล้วก็ทํารรต่อพวกลอครั้งแล้วครังเล่าท่านอับบีบอกให้ให้ประกาศย้ําไปเลยว่าวะมาอาเนะมีแนลมุชริกีนและฉันนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ที่ตั้งภากีเพราะนี่คือเป้าหมายหลักเพราะนี่คือสิ่งที่ตรงข้ามกับการทําให้พวกลอรักชิริกือสิ่งที่ทําให้พวกลอเสียด เพราะนั้นในเรื่องของการด้าว่านะครับถ้าเกิดความสําเร็จในชีวิตพี่น้องตั้งเป้าไว้ด้วยเราพูดถึงความสำเร็จกันมาหลายตอนในความสำเร็จนั้นเรื่องของการขัดเกลาแล้วก็เราก็ได้บอกแล้วว่าขัดเกลา์เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเองนะมันต้องขัดเกลาไปถึงผู้อื่นด้วยเพราะว่าหน้าที่ของเราไม่ได้มีแค่ตัวเราเองเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกับครอบครัวของเรากับคนที่รู้จักเรากับคนใกล้ตัวเรากับเครือญาติเราแล้วก็กับสังคมนี่คืออมานะของเรา ซึ่งการเรียกร้องพี่น้องบางคนได้บอกฉันไม่ใช่อาจารย์ฉันไม่ใช่ผู้รู้ฉันจะเรียกร้องฉันจะด้าว่าอย่างไรการด้าว่าการเชิญชวนการเรียกร้องการทำให้คนรู้จักอิสลามการทำให้คนรู้จักพระเจ้านั้นมีมากมายมหาศาลมีมากมายหลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีความรู้เลยพี่น้องก็สามารถดาว่าได้เหมือนกับอิสลามช่วงแรกครับถามว่าทาไมท่านอบูบักถูกเรียกว่าผู้ที่มีความยาเกรง พี่น้องจำสุระอัลเลนได้ไหมครับที่เราพูดคุยกันวายตาเจนนบุฮันอัจกอเมื่อโพลล์สุภาราพูดถึงเรื่องของไฟนรกเมื่อพโพลล์บอกว่าบรรดาคนที่ชั่วร้ายเนี่ยเขาจะได้เข้าไปพำนักเมื่อพโพลล์พูดเขาว่าไงครับฟะอันดารุกุมนารันตะละดอข้าขอเตือนพวกเจ้าให้ระวังไฟนรกที่ดุกชดช่วงที่แผดเผาให้ดีๆ และยัสลฮะอิลลัลอัจกอจะไม่มีใครได้เข้ามานอกจากคนที่ชัชวไหลอัลลอฮฺดีกะดะบะอัตวันลผู้ที่เขานั้นปฏิเสธและเขาก็ผีหลังให้กับสัธรรมในที่นี้ว่าจะอยู่เจ้านบุฮฺอักส่วนผู้ที่มีความตักกว่าผู้ที่มีความสำรวมผู้ที่มีความยำเกรงผู้ที่มีความกลัวเกรงต่ออัลลนั้นเขาจะออกห่างจากไฟนรกนี้เขาคือใครครับอายะกรานี้ นักภาถาธิบายได้ให้ความหมายไว้หลายความหมายด้ยวยกันว่าหมายถึงใครหนึ่งในนั้นก็คือบอกว่าอายานี่ลงไม้กับท่านอบดุลเบรรออิย์ละหูอีกคลาสนึ่งก็บอกว่าลงไม้กับท่านอาดีรยออ์ละหูทั้งคู่เหมือนกันครับตรงที่ว่าอัลละียุตีมาละหูจะตะ zakka เขาคือผู้ที่เอาทรัพย์สินของเขาใช้จ่ายไปเพื่อเป็นการขัดเกลวคีย์เวิร์ดโผล่มาอีกแล้วครับคําว่าขัดเกลวขัดเกลวด้วยการใช้ทรัพย์สินเอาทรัพย์สิน ใช้ให้กับผู้อื่นแล้วพวกเราเรียกเขาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงแล้วก็สํารวมแปลว่ารูปแบบการดาว่าง่ายที่สุดพี่นะ้องเราคิดถึงการดาว่าสเดียวกับการพูดเดียวกับการเชิญชวนใช่ไหมครับแล้วก็มีการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็มีเรื่องของการใช้ทรัพย์สินทรัพย์สินเราใช้กันแทบจะทุกวันอยู่แล้วเราไม่เหมือนในอดีตในอดีตเนี่ยบางอาทิตย์อาจจะไม่ได้ใช้ทรัพย์สินไม่ได้ใช้เงินเลยก็เป็นไปได้แต่ปัจจุบันครับแทบไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่ได้ใช้เงิน นอกจากเราจะตุนๆๆๆของไวมากพอจนไม่ต้องซื้ออะไรเลยแต่ปกติเราใช้เงินอยู่แล้วซึ่งทรัพย์สินถ้าใช้ถูกที่ผลรบุญมหาศาลถ้าใช้ผิดที่มันก็เป็นบาปมหาศาลเช่นเดียวกันพี่น้องลองคิดดูพี่น้องลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนที่ว่าเขามีความแห้งแล้งอยู่แบบแร้งแขนเนี่ยแล้วเรามีงบไปช่วยเขาได้เราบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะขุดบ่อน้ําให้นะแล้วก็ทําให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถามว่าโอกาสที่เขาจะเปิดใจมีไหมครับโอกาสที่เขาจะเปิดใจนี่สูงหรือเราบอกว่าชุมชนนี้ไม่มีอาหารใช่ไหมเราหยิบยื่นความช่วยเหลือความช่วยเหลือก็ต้องผ่านเรื่องของทรัพย์สินพอหยิบยื่นความช่วยเหลือปุ๊บอาจจะเปิดใจเขาได้ด้วยกับความเมตตาของโพลัสโซบาลอวตาร์ละซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็อยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสักการที่พวกเรารู้อยู่แล้วว่ามอาลับพติกูลูบิหิมผู้ที่วาหัวใจของเขานั้นเริ่มมีความโน้มเอียงหรือว่า ไม่ได้อันตี้ไม่ได้เกลียดชังอิสลามจนแบบว่าด่าว่าต้องฆ่าให้ตายกันไปข้างแปลว่าอะไรครับเมื่อทรัพย์สินถูกใช้เปิดใจคนได้ก็สามารถถูกใช้เพื่อปิดใจคนได้เช่นเดียวกัน พราะธรรมชาติของมนุษย์นี่คือสนใจความเป็นอยู่ของตัวเองเป็นหลักถูกไหมครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการหยิบยื่นความช่วยเหลือแล้วบอกว่าแลกกับการที่เจ้าต้องไปหลอกคนอื่นแลกกับการที่เจ้านั้นต้องเป็นคนชั่วแลกกับการที่เจ้าต้องทําความชั่วคนยอมไม่ยอมเยอะแ ย, ย, ย ะ, ยะ พ, พี่น้องพี่น้องเราไปดูอาชกก็หลาหลายๆคนบางทีโดนจ้างด้วยกับค่าจ้างเล็กน้อยแต่คือเขาเอาตัวเขาเป็นหลักไงเพราะนั้นทรัพย์สินเนี่ยใช้ให้ดีก็มีประโยชน์ถ้าเกิดใช้ผิดที่มันก็อันตรายมหาศาล ซึ่งการใช้ทรัพย์สินเนี่ยถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการดาว่าไหมรูปแบบหนึ่งของการดาว่าเพราะอย่างที่ผมบอกครับที่พวกล้อบอกผู้ที่ออกห่างจะถูกออกหก่างจากไฟนรกเนี่ยเขาคือผู้ที่อัจโกผู้ที่มีความยำเกรงพวกล้อเรียกท่านอบูบัรว่าเป็นผู้ที่มีความยำเกรงเพราะท่านใช้จ่ายทรัพย์สินในเรื่องของศาสนาในเรื่องของการทําให้พวกล้อสุบฮานูตาลักเพราะฉะนั้นการดาว่าเนี่ยเยอะไหมครับรูปแบบเยอะพี่น้อง หรือว่าการช่วยเตือนกันการช่วยเตือนนี่สําคัญนะพี่น้องดาวะไม่ใช่เฉพาะคนต่างศาสนิกนะดาวะทั้งคนใกล้ตัวเราสําคัญมากเส้นเดียวกันแล้วเราก็ได้พูดคุยไปแล้วว่าคนใกล้ตัวเรานั้นสําคัญกว่าคนไกลตัวซะอีกเพราะเราจะถูกสอบสวนในเรื่องคนใกล้ตัวไม่ได้ถูกสอบสวนจากเรื่องคนไกลตัวเพราะฉะนั้นวายิบสําคัญกว่าสุนนะพี่น้องต้องแยกให้ออกสิ่งที่จําเป็นนั้นสําคัญกว่าสิ่งที่ควรจะแก่ทําเพราะนั้นครับในเรื่องของการ เตือนสติให้คิดเนี่ยคนเราโอกาสที่ทำความชั่วเยอะทั้งๆ ท, ท, ที่รู้โอกาสที่ทำความผิดเนี่ยเยอะแยะมากมายครับบางตุศิรูนั่นหละหายาตัดดุนยาที่พระรั์บอกไว้ก็คือแต่เทว่านั้นพวกเจ้าได้รับผลกระทบแบบดุนยาเจ้าลุ่มหลงกับดุนยาอะไรทำให้ผู้รู้คนที่รู้อยู่แล้วทำผิดประการแรกอาจจะลืมหรืออาจจะเข้าใจผิดเขาอาจจะลืมเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือบางทีเขาอาจจะไม่รู้จริง มีโอกาสมากมายครับที่ทำให้คนทำผิดเพราะนั้นการตักเตือนเนี่ยมันถึงจะให้คนนั้นคิดได้เพราะนั้นการตักเตือนเป็นการดาว่าไม่การดาว่าการดาว่าดาว่าเฉพาะคนตศา ส, สนาไม่ก็ไม่ใช่ดาว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดคนใกล้ตัวคนที่เรารักคนที่เราเกลียดทั้งหมดอิสลามสอนให้เรานั้นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั้งหลาย ท่านเบียมัสราสบอเบวิสตุลิอุตมมมามากลลิมอัคลักฉันถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทําให้เรื่องคุณธรรมเพื่อทําให้ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์นั้นมันงดงามขึ้นมันสมบูรณ์เพื่อทำให้มันงดงามแล้วท่านมันสมบูรณ์ซึ่งอย่างถ้าเกิดเราสังเกตดูครับในภาคปฏิบัติเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแผ่ของการดาว่าของการเตือน ที่ได้ผลมากเลยก็คือการทำตัวเป็นแบบอย่างการทำตัวเป็นแบบอย่างเราเป็นพ่อค้าเราก็เป็นพ่อค้ามุสลิมให้คนอื่นได้รู้ว่าพ่อค้ามุสลิมเป็นยังไงหรือเราอาจจะเป็นแพทย์ก็เป็นแพทย์แบบมุสลิมนั้นเป็นแบบไหนหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะเป็นพ่อค้าจะเป็นคนขับรถหรือพี่น้องจะเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนจะเป็นประกอบอะไรก็ตาม เราสามารถดาวะด้วยในขณะที่เราทํางานด้วยการที่เราทําแบบอย่างของอิสลามให้มันชัดเจนนะพี่น้องให้เขาเห็นแล้วเขาบอกว่าอ๋อนี่คนคนนี้ทําไมเขาดีจังเลยทํำไมเขาเป็นคนซื่อสัตย์ทําไมเขาไม่คดโกงทําไมเขาไม่ทําร้ายใครอ๋อเขาเป็นมุสลิมอิสลามสอนดีนะอย่างน้อยให้ความรู้สึกบวกเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แล้ยิ่งถ้าได้เปิดใจเขาอัลรัมด้วยละมันยิ่งดีเพียงแต่ว่าอย่างปัจจุบันนะครับกระแสของความเกลียดชังมันยิ่งสูงขึ้ น, นเรื่อยๆจากผู้ที่ไม่เข้าใจจากผู้ที่ไม่หวังดีจากคนที่ปุกปัน่นแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะการที่มุสลิมนั้นไม่ได้ทำตัวตามที่อิสลามสอนเราปฏิเสธไม่ได้มันคือความจริงใช่ไมครับพี่น้องคาพูดที่บอกว่ารวมกันไม่ใช่แขกเนะี่ยมัน มันเป็นคำพูดที่ว่ามันถูกใช้มายาวนานแล้วแล้วจนถึงปัจจุบันมันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ไม่เป็นกระแสอิรฮาบีสร้างความหวาดกลัวหรือว่าคนที่แบบว่ามีการเข็นฆ่ามีการทำร้ายผู้บริสุทธ์ทั้งหมดนั้นไม่ใช่คำสอนของอิสลามเลยเพราะอะไรครับสซาอิสถานพวกเราบอกว่าวามาอากะอิลาออลา ร, รมตลิลอาลามนอิสลามแปลว่าสันติให้ความปลอดภัยมีความปลอดภัย แล้พอเราก็บอกกุฎานว่าเราไม่ได้ส่งมูฮัมหมัดมาสละลายสลามานอกจากเพื่อเป็นความเมตตาให้กับทั้งโลกทั้งโลกในทุกมิติเพราะฉะนั้นครับแบบอย่างที่ชัดเจนก็คือการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเป็นกุฎานเดินได้อะเวลาพูดก็อย่ากโกหกอย่าไปใส่ร้ายอย่าไปทําร้ายใครให้มีความสัจธามีความซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่ตนทํามีความรับผิดชอบทั้งหลายทั้งปวงเป็นคําสอนอิสลามทั้งหมดเลย แล้วเราดูในความในภาคปฏิบัติครับมันก็ได้ผลจริงๆเห็นชัดเจนเลยอย่างถ้าเกิดพี่น้องอยู่ทางเหนือครับเราก็จะพบว่าคนที่เข้ารับอิสลามมันจํานวนไม่น้อยเนี่ยเกิดจากการที่บารผู้หุษเราในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นพ่อค้าที่มาค้าขายแล้วเขาเอามารยาแบบอิสลามมาแล้วมาสอนให้คนรู้แล้วคนเขาก็ศรัทธาไม่ได้บังคับด้วยคุมห อ, อกคุมดาบไม่ได้มาทําระเบิดไม่ได้มาทําให้เกิดความแตกแยกไม่ใช่ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาแล้วเขาก็ศรัทธาซึ่งก็เป็นรูปแบบที่มีครับทั้งภาคเหนือทั้งในตัวส่วนของกรุงเทพทั้งในภาคใต้แบบอย่างที่ดีนั้นมีค่ามากกว่าคำสอนแบบอย่างที่นั้นมีค่ามากกว่าความสอนด้เพราะคำว่าความเมตตาปัจจุบันในมุสลิมเราพร้อมที่จะทำร้ายกันง่ายเกินไปพร้อมจะด่าว่ากันมากเกินไปพร้อมที่จะเชื่อมั่นในความง่ของตัวเองเนี่ย มากเกินไปเลวลินไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับในเรื่ององมาบุคคลีตอนที่ท่านอับดุลซาร์รัมอยู่ที่ทุ่งมีนาแตท่ท่านกำลังคุยตะบะกับบรรดาซอบะท่านอบดถามว่าไงครับท่านอบีถามกับบรรดาซอบะว่าอาตัตเตอรูเนี่ยอายุเยาวมินงห้าแต่พวกคุณรู้ไหมนี่วันอะไรฮัดอักบัตไงวันฮัดใหญ่ไงอยู่ทุท่งมีนาไงซอบะพอได้ยินปุ๊บก็ท่านอบีถามแปลว่าไม่ใช่คําถามที่ต้องการคําตอบง่ายๆ มารยาทของมรดาซาฮบะครับถ่อมตนครับอัลลอฮฺวราซูลูอาลัมท่านอบีถามรู้ไหมวันนี้วันอะไรเขาบอกว่าอัลลอฮฺระดับูลของพงนั้นย่อมรู้ดียิ่งย่อมรู้ดีที่สุดท่านอบีก็ถามต่อครับฟะอินนะฮะเจย์เยมุนฮารอมอาฟาตัดรูนะอายูบะละดินฮา่าจะหลังจากที่ท่านอบีถามว่ารู้ไหมวันนี้วันอะไรสวาบอกว่าอัลลอฮฺระดับูลเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดท่านอบีก็บอกว่านี่คือวันต้องห้าม นี่คือวันฮารอมแล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่าแผ่นดินที่เจ้าอยู่เนี่ยคือแผ่นดินอะไรซอบาก็บอกว่าเราอัลลอฮฺเราซูลนะรูดีที่สุดท่านอบีก็บอกว่านี่คือแผ่นดินฮารอมแผ่นดินต้องห้ามห้ามทําความชั่วทําความชั่วร้ายในแผ่นดินนี้ถือว่าบาปใหญ่เลยวันฮารอมแผ่นดินฮารอมท่านอบีถามต่อครับอัตตะรูนะอยูชะฮรินฮ่าดาแล้วพวกเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้เราอยู่เดือนอะไรกัน ซอฟ้าตอบเหมือนเดิมอัลลอฮ์วารสุรุอาลัมอัลลอฮ์เราซูลท่านที่รูดีที่สุดท่านลบีมัสซาลิซามบอกว่านี่คือเดือนฮารอมนี่คือเดือนต้องห้ามรวมสามเด้งเลยพี่น้อง re วันต้องห้ามแผ่นดินต้องห้ามเดือนต้องห้ามทําบาปในนี้นีแบบมหาศาลแล้วแบบว่าเลวสุดสุดแล้วฮารอมของฮารอมของฮารอมของฮารอมมาพี่น้องเพราะแรกการทําบาปคือฮารอมหนึ่งต่อแล้ว แล้วมาทำในวันต้องห้ามหารอมสองต่อแล้วมาทำในแผ่นดินต้องห้ามสามต่อแล้วมาทำในเดือนต้องห้ามซึ่งฮิจัก็สี่ต่อฮารอมสีเดงบาปใหญ่ขนาดเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดสุสลัลพูดว่าอะไรครับ f a อิน a l ล a อฮ์ฮะ r าร์รอมะอาลัยกุมดิมาอาลัยกุมวะอัมวาลักุมวะอารกุม คาหุร์มาที่ยุคของคุณนี้ในชั่วครุ่นนี้ในบ้านของคุณน้อนั้นได้ทำให้เลือดเนื้อของพวกเจ้าทรัพย์สินของพวกเจ้าเกียรติยศของพวกเจ้าเป็นที่ต้องแห่เหมือนกับวันนี้ของพวกเจ้าเดือนนี้ของพวกเจ้าสถานที่นี้ของพวกเจ้า แปลว่าการที่เราไปร่วงเกินเกียรเิ้าของใครสักคนเราไปด่าว่าเขา ท, ทั้งทงที่เรานะโง่เองเราไม่รู้จริงเราไปด่าว่าเขาหรือเราไปนินทาใครหรือเราอะไรก็ตามที่เป็นการทำร้ายกิจเจ้าของใครหรือเราโมโหใครต่อยหน้ามันหรือว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นการอาธรรมผู้อื่นไปจิกของของเขามาแล้วไม่ยอมคืนของเขา ยืมเงินเราไม่ยอมคืนยืมแล้วยึดตัวยืมๆรูปแบบใดก็ตามพี่น้องท่านอับดุลเบี๊ยมอัสสลามบอกว่าพวกลอได้ให้สิทธิได้ให้เลือดได้ให้ทรัพย์สินของพวกท่านเนี่ยมีความต้องห้ามเหมือนกับทั้งหมดที่ว่ามาสีแดงที่ว่ามาเนี่ยถ้าเราไปนินทาคนคนเดียวเท่ากับเราทําบาปสีเท่านีพี่น้องเท่ากับเราทำฮ า, า, า, า, ารอมในวันฮารอมใน สถานที่ฮารอมแล้วก็ในเดือนที่ฮารอมแต่มุสลิมปัจจุบันนี่ง่ายเลืเกินบางทีใครพูดมาปุ๊บอดสนุกปากปุ๊บออกกดใช่เลยครับชัดเจนเลยเนี่ยราต้องไปดามันบางทีก็ไปด่าว่ากันเราคิดง่ายเกินไปเราเชื่อมันในความโง่ของตัวเองมากเกินไปเราดื้อรั้นมากเกินไปต่อให้เขาทำผิดเรารู้จริงใช่หมว่าเขาทาผิด หรือต่อให้เขาทาผิดเราแน่ใจใช่ไหมว่าที่เขาทำผิดนั้นพวกเราไม่ยกโทษให้เขาเขาอาจจะทำผิดเพราะเป็นการตีความซึ่งมันเป็นการตีความที่รับได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไปด่าเขาใครผิดคนที่เดือดร้อนคือเราแล้วยิ่งด่าผ่านซื่อทั้งลูกห่าบยันหัวหน้าเนี่ยหนักเลย แค่ล่วงเกินนิดเดียวเท่ากับธรรหารอมสีแดงแล้วถ้าเกิดว่ามันกระจายความชั่วนี้ไปเรื่อยๆแน่ใจไหมว่ารับผิดชอบได้ถ้าจะทำงานศาสนาคุยเรื่องศาสนาคุยเรื่องตัวบทเขาพูดอะไรแล้วว่าผิดเราก็บอกไปมันผิดอย่างนี้จบแค่นั้นไม่ได้เลยทำไมมันต้องมีการล่วงเกินมาเป็นการด่ามีการว่ามันมันสะใจทำงานศาสนาด้วยความสะใจใช้ได้เถามเลย ท่านอับดุลเบี๋ยมสุลัยสลัมนบีแห่งความเมตตาตอนที่ชาวตออิฟเออยตอนที่คนชั่วช่วเออยทําร้ายท่านถามว่าท่านคิดที่จะทําลายพวกเขาไมไม่ไม่เหมือนกับตอนที่มุสลิมเริ่มมีอํานาจเริ่มแข็งแรงเนี่ยก็มีซาบะมาถามว่ายาละสุลล้อนเนี่ยเราถล่มกาบ้าเลยดีไหมถล่มมกักกะหมาถึงถล่มมกักกะถล่มชาว ม, มกาักกะแล้วถล่มมักกะเลยดีไหมคนชั่วมันเยอะฆ่ามันให้หมดเลยจะได้กลายเป็นเมืองของมุสลิมมีอานาจแล้วไงคือตอนแรกไม่มีอํานาจตอนแรกไม่มีความสามารถ ท่านน บ, บีมูฮัมมัดจะบอกยังไงครับไม่ไม่เหมือนกับที่ท่านน บ, บีพูดตอนที่ท่านน บ, บีไปดาวะที่เมืองตา อ, อิฟแล้วชาวตย อ, อิฟเอาก้อนหินมาลุมปลามาทําร้ายท่านเลือดโชลมตัวท่านจิบลีมาพร้อมกับมรารยาการอีกหนึ่งท่านบอกยาหมุฮัมหมัดนี่คือมรารยาการที่ดูแลหุบเขานี้ที่เมืองตออิฟหากคุณต้องการพูดคําเดียวแล้วถล่มให้ตายกันให้หมดทั้งเมือง ว่าเขาทําความชั่วมากมาทำร้ายบุคคลที่พวกอัลลอฮ์รักมากที่สุดได้อย่างไรท่านอนบีบอกว่าไงครับไม่เป็นไรต่อให้จะหมดหวังกับรุ่นพ่อแล้วรุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะมีคนดีก็ได้นี่คือความคิดของท่านถ้าไม่ได้ บ, บตอบโต้วความช่วยได้กับความช่วแล้วผลสุดท้ายเป็นแบบนั้นจริงๆอย่างชาวตา อ, อิฟเนี่ยไม่ต้องรอรุ่นลูกรุ่นหลานกลายเป็นผู้ศรัทธาเขารับอิสลามเช่นเดียวกับ รูปแบบที่ท่านนบีบอกว่าลูกหลานอาจจะมีคนดีตัวอย่างเนะี่ยมีเยอะแล้วในยุคท่านนบีมศ ส, สละสลามเองเช่นเดียวกันหนึ่งในบุคคลที่ได้ชื่อเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดแห่งยุคคืออบูจาฮัลท่านนบีตั้งฉายาเลยว่าไอตัวแห่งความงงเรีวร้ายที่สุดชั่วร้ายที่สุดแต่ลูกของเขาครับลูกของเขาเนี่ยเอกรีมะท่านเอกลีมะบินอบีจาฮัลเนี่ย ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักรบที่เก่งกาจของอุษมุสลิมมิอสลาบิกุมเห็นไหมมินอสลับิกิมจากลูกหลานของพวกเขามีคนที่ดีเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับกับหนึ่งในศัตรูที่ชัดเจนของอิสลามครับอัลวาริด บ, บินมมฮีระ์ะศัตรูชัดเจนอิสลามลูกของเขาคือใครครับท่านคาลิส บ, บินวาริดต้องบอกไหมว่าท่านคาลิสคือใครมินอัสลาบิกุมนี่คือ การเผยแผ่ด้วยกับความปรารถนาดีแล้วเชื่อมั่นเนี่ยเอาล้อยแล้วคิดว่าอย่างน้อยสิ่งที่ดีต้องตามมาไม่เกิดในยุค ข, ของเขาอาจจะเป็นลูกเป็นหลานของเขาแล้วมันเป็นการเผยแผ่ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลเพราะมันใช้ได้ผลมาพันสี่อกว่าปีแล้วเคนใครที่ได้แต่อ้างว่าให้ตามสุนนะให้ยืนหยัดให้ทําอะไรก็ตามแต่ไม่คิดที่จะเผยแผ่แบบที่ท่านอบีคิด ที่ท่านนบีทําให้เป็นแบบอย่างที่ท่านนบีพูดให้เราได้ยินอย่ามาอ้างว่าเขาทำตามท่านนบีโมมัสซัลลอฮฺสลายผมกลัวเหลือเกินกลัวเหลือเกินว่ามันจะเป็นแบบที่ท่านนบีเตือนไว้ที่ท่านนบีเตือนท่านนบีบอกฮะดิษบทแรกท่านนบีบอกว่าไงครับผู้รู้นั้นเป็นทายาทของนบีผู้รู้จะสอนสั่งมนุษย์ให้รู้ว่าทํำยังไงที่มันถูกต้องสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดอันไหนคือเรื่องมารยาทอันไหนคือเรื่องศีลธรรมการตอบรับความชั่วต้องตอบรับยังไงต้องตอบโตู้ยังไงความดีต้องทำยังไง แต่เมื่อถึงเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นเนรุ่นที่เคยมั่นติ้มิดีครับเช็คอารบานีและบัวเป็นทีที่เสียท่านนบีมัสลัสับวาอินนัลลอฮฺละยาบิดุลอิลมะอินทีซะอันจันตาซีอูมินนัลนัสละลาฮียาบิดุลอิลมะِีกับดุลอัลลม حتى إ ا لم يترك عالما اتغدى الناس ل ا ف س و ا وأفتو ب غ إ ِ ن م ن ف َ د ل ُ و ا و َ ع َ ل ُ อินนาริละ่ะท่านอับดุลเลาะห์ผู้ล้อนั้นจะไม่กระชากความรู้ไม่ยึดความรู้ออกไปจากหัว อ, อกของผู้คนคือไม่ใช่เรามีความรู้ปุ๊บผู้ล้อนอยากจะทําลายอิสลามผู้ล อ, อก็ความรู้จากหัวเราไม่ใช่แต่อิสลามจะค่อยๆเลือนหายไปด้วยกับการตายของผู้รู้การตายของผู้รู้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อไม่เหลือผู้รู้เนี่ยผู้คนก็จะไปยึดเอาคนโง่ไง ไปยอาคนไม่รู้ไงมาเป็นผูู้่กของตัวเองวะซุยลูซึ่งไอคนพวกเนี่ยพอถูกถามเนี่ยก็พร้อมจะฟัตวาทุกเรื่องเลยฉันตอบได้หมดถามอะไรฉันตอบได้หมดพร้อมที่จะให้ฟัตวาโดยที่ไม่มีความรู้บางที่อ่านอัลลับก็ยังไม่เป็นคุรานยังเท่าไม่ได้ทั้งเล่มแล้วก็จะมาอ้างตนเป็นผู้รู้เป็นคนชักนําสังคมบอกว่าฉันเป็นคนรักษาสุนนะเนบีย ท่านอบีบอกไงครับฟาดอนรูอาดอดูไอตัวเองเนี่ยก็หลงผิดแล้วก็ทําให้คนอื่นหลงผิดด้วยหลงผิดไม่พอทําให้คนอื่นหลงผิดก็ไปหมดนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องระวางังนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องระวังครับการดาว่าการเผยแผ่นั้นต้องใช้รูปแบบที่ท่านอาบีใช้เท่านั้น เพราะเราอยากให้ผู้ลออรักเราผู้ลอกก็บอกให้เราทําตามนาบีนบีก็บอกใครที่ตามทำตามนาบีเนี่ยก็ต้องเผยแผ่ก็ต้องดว่ว่าแล้วก็ต้องด่ว่าแบบที่ท่านนาบีด่าว่าดูดว่ดว่าด้วยความรู้จริงเพราะนั้นก็เตือนนะครับเตือนหลายเรื่องทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ผมรักนะครับผู้ลอกสัพพตประกาศไว้เขาว่าเยาวมาลายังฟูมาลุนวาลาบานูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกลบินสลิมวันที่ทรัพย์สิน หรือลูกหลานไม่มีทางยังประโยชน์นอกจากผู้ที่มีทรัพย์สินหรือผู้ที่มีลูกหลานที่เขาไปหาพวกลอสซูบฮานัวตลาด้วยกับหัวใจที่ปลอดภัยหัวใจที่ไม่ทํำลายใครหัวใจที่สงบอิละมัลลอห์บิกลบิสซาดิมคนพวกนี้เท่านั้นที่ทรัพย์สินยังประโยชน์เขาคนพวกนี้เท่านั้นที่ลูกหลานจะยังประโยชน์กับเขาถ้าไม่มีหัวใจที่สงบ ลูกหลานไม่ยังประโยชน์จะทิ้งไว้กี่ร้อยล้านคนไม่ยังประโยชน์ซัพบสินจะมีกี่ร้อยล้านบาทมันก็ไม่ยังประโยชน์เช่นเดียวกันวะอามะมันข้าวะมะความะรับบีฮีวะนะฮ์นับซะอันอิลฮะวาฟีนันเจลเนต์ฮีย์ลมาวะพี่น้องที่รักใครก็ตามที่กลัวสถานะของผู้ลอสุบฮานาุอัตลาสถานะของผู้ลอคือผู้สร้างผู้เป็นเจ้านายเราผู้เป็นเจ้าของเราผู้ที่ดูแลเราผู้ที่สามารถทําอะไรก็ตามกับเรา ตามที่พวกสุปประสงค์ใครก็ตามที่กลัวสถานะของผู้ล้อกลัวจุดยืนของผู้ล้อสุบานัวตายแล้วเขาได้ห้ามจิตใจจากการคอยตามความชั่วจากการทําสิ่งชั่วชั่วทำพฤติกรรม ส, มสม้ำซ้ำพูดคําพาูดหยับหยับออินเนจันนาตะเฮียนมะวะผู้ล้อสุบานตายย้ำไหมครับว่าแน่นอนสวรรค์นั้นจะเป็นที่พำนักของเขาสวรรค์นั้นจะเป็นที่อยู่ของเขา แต่ถ้าว่าพี่น้องบลตุสิรูนัลนายาตัดดุนยาแต่ถ้าว่าเรานั้นก็ส่วนมากเราก็จะพ่ายแพ้ให้กับดุนยาทั้งที่เรารู้ทั้งหมดทั้งที่เรารับฟงังทั้งหมดทั้งที่เราและเชื่อเรารู้หมดแล้วแต่ผลสุดท้ายเราก็เพียงพัําให้กับดุนยา ว่าเราจะตค่อยรู้อัปกอทั้งทางที่โลกหน้านั้นดีกว่าแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดก็เป็นคำเตือนครับคำเตือนสื่อขอเตือนทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ผมรักครับผมก็ถึงตรงนี้ครับก็เราแน่าจะจบในส่วนของอายาที่สิบห้านะครับแต่เพียงตอนนี้แล้วก็ยินชาวล้อครับครั้งต่อไปเราจะมาต่ออายาที่16บบรรทุกสอายตัจยินยาเรามาดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งว่า เราได้รับผลกระทบอะไรกับดุนยาบ้างเรายึดติดอะไรกับดุนยาบ้างเราหวังผลอะไรกับดุนยามากไปหรือเปล่าแล้วมันส่งผลเสียอะไรกับเราบ้างก็ขอพระลอเมตตาเรานำทางเราแล้วก็คุ้มครองพวกเราตลอดไปครับผมคุณสรนีครับสลามมาครับไวรุณสุลามตุลลอห์วะบาริกะตุลฮามดีลาบินิยามะตีติมุสลิฮาร์อัลฮามดีลาะครับคุณ พูกเตชัดเจนทั of of science, ้งภาพและเสียงพร้อมเรียนด้วยบารกลอฟีกุมว่าบารกลอฟีกิเช่นเดียวกันครับผมคุณชัยสลามาอิกรอบนะครับวาริคุสลาบตละวบร์กาตัชรให้แล้วค่ะอาจารย์จะซากุมุลลาฮุเคยรอนครับอย่าลืมนะครับเนียดในการแชร์ให้โปลาะสุบฮานหัวตารักเรานะครับผมคุณคเดดินธรรมดานะครับสลามุณสลามตรละวบรกตัพี่บนีครับสลามาวุณสลามัตรละวบรกตัเนเดียวกับคุณจินตา บดุรีนะครับผมสลามานะครับอัลกุสซลาฮุมอัลลอฮุวาลลอฮิกะตุชัยและขอบคุณมากทุกท่านครับจากจัดภูมิลาคาร์มครับคุณสุริวันรันจนจิตให้กำลังใจมาขอบคุณมากที่เดียวกับคุณสวัยสลามมานะครับแล้วก็ลำเดีแล้วก็วะไอเลกุมสลามอัลุลลอฮุวาบาริกะตุครับพี่น้องท่านใดผมเห็นข้อความขอมับอีกครั้งหนึ่งก็ขอตอบสลามทุกท่านแล้วก็ขอให้พวกเรามีสติแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นได้ดำลงตนได้ขัดเกลีตนได้ ลำลึกถึงนามต่างๆของผู้อัลลอ์แล้วก็ได้ทำการละหมาดแล้วก็ได้ทำการดาวะเพื่อผู้อัลลอ์สุภาอุวาตลาในทุกรูปแบบเท่าที่เรานั้นจะสามารถกระทำได้เรื่องของการดาวะทำได้ทุกคนครับในรูปแบบที่เราสามารถอย่าทำอะไรที่มันเกินตนทำในจุดที่เราอยู่นี่แหละในสถานะที่เราอยู่นี่แหละเราอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราคิดก็ได้ครับ الله إ إ و ลิสาล穆 ي ล م ม س ل ั้นจากท م กท่าน ل ี่ฟังรู้ว่าพวก ا ขาเป ه นคนที่ไม่เชื่อในพ ا ل ل ามข ا งพระเจ้าอาเชฮาดอัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์อัล